ท่านสาธุชนพุทตบริษัททั้งหลายและบรรดาท่านพระภิกษุ ส, สมณีนนทั้งหลายเวลาที่จะเจริญเพร่กรรมาฐานใกล้มาแล้วและก็ระยะนี้ที่จะพูดต่อไปก็เป็นเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ถ้าว่าเรื่องบุคคลตัวอย่างนี้ผมก็อยาก ขอเว้นพสูดเอาเรื่องเห่งการตายของผมที่ผ่านการตายมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังทั้งนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าเรื่องความตายเป็นของแน่นอนถสภาวะความตายก็ไม่จะ ช, ชื่อว่าศูนย์ไม่ใช่ตายแล้วแล้วก็หมดเรื่องหมดราวกันไป เรื่องที่แล้วมาก็มาจบลงคือคืนที่แล้วมาหยุดลงตรงที่ว่าคณะทูตของพญายมทั้งสี่ที่เราเรียกกันว่าเทวทูตนำผมมาส่งที่บ้านขณะที่มาส่งแกก็พุ่งเข้าไปทางด้านประตูและแกก็บ่นว่า ไอ้หาเจ้าทำกูลำบากด้วยนี่ความจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้ไปก็เสือกไปเองหลังจากนั้นเมารู้สึกว่าเข้ามาสู่บ้านแต่ความจริงคำาบ้านในขณะที่เห็นนั้นผมว่าคงจะไม่ใช่บ้านมันก็เป็นร่างกายนี่เอง เมื่อเขาเสียเขาพุ่งเข้ามาแล้วก็เกิดความรู้สึกลืมตาขึ้นมาดูเห็นคนเต็มบ้านแล้วก็มีพระอยู่ประจำบ้านหลายองค์ในขณะนั้นก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนมากอยากน้ำเป็นที่สุดเห็นชายคนหนึ่งเป็นทิศสิกใหม่นั่งจะด้านหัวนอน ลืมตาขึ้นมาเห็นแกเข้าก็บอกว่าน่าขอน้ำผมกินสกัดเลยครับกต่ น, นั่งแกตกใจกระโดดแล้วไปทั้งปลายเท้าแกล้อมตะโกนบอกว่าผีหลอกผีหลอกแล้นคนเขาก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นแกบอกว่าผีพูดได้ทุกคนก็เข้ามาดูก็ปรากฏว่าเห็นผมลืมตาแล้วก็พูดกับเขา พ่าเวลานี้อยากน้ำเหลือเกินเพามีความเอืดเหนื่อยอ่อนมากขอน้ำกินสะขันเวลานั้นพระซึ่งเป็นลงท่านอยู่ด้วยเพราะว่าท่านคุมไว้ในขณะที่สิ้นลมปราณคนทั้งหลายเขาจะเอาสายกระสังมามัดจะอาบน้ำศพจะใส่ลงท่านก็ห้ามไว้ก่อนบอกจะเพึ่งทา ว่าเด็กนี่ยังไม่ตายยังจะต้องกลับพื้นคืนขึ้นมาในการที่จะรักษาถ้าไมพฟื้นคืนขึ้นมาท่านก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดลอยไว้เฉยๆถ้าถึงเวลาก็จะฟื้นเองแล้วท่านก็คุมอยู่ตลอดเวลาพระองค์นี้คือลูกพ่อเล็กเกสโรซึ่งเป็นพี่ชายของโยมผู้หญิงผมเอง สำหรับหลวงพ่อเล็กนี่มีธรรมปฏิบัติดีเยี่ยมไม่ใช่ว่าเป็น ญ, ญาติแล้วก็บอกว่าดีเยี่ยมความจริงท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานแต่ถ้าว่าโดยจริยาแล้วเป็นพระที่หลวงพ่อปานเกรงใจมากเพราะว่าท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับโล ก, กธรรมทั้งหมด ใครจะไปยังไงใครจะมายัางไงก็ช่างท่านไม่สนใจปกติคนท่านหลายมีความรู้สึกว่าท่านเป็นพระดุเพราะว่าท่านไม่อจยพูดกับใครแต่ความจริงท่านไม่ได้ดุเป็นพระที่มีความสำรวมอย่างยิ่งและมีการงานเวลาแน่นอนเวลาไหนจะทำอะไรเวลาของท่านแน่นอนจริงๆ เรื่องเวลานี่ถือเป็นเอาตายจริงเป็นพระที่มีธรรมะปฏิบัติดีมีความสำคัญองค์หนึ่งในฐานะที่เป็นสิทธิ์หลวงพ่อปานแล้วก็เป็นพระที่เป็นแม่บ้านได้ดีคือกิจการงานภายในวัดทั้งหมดหลวงพ่อปานไม่ต้องไปดูลงพ่อเล็กเป็นผู้จัดการหมดแต่ความจริงหลวงพ่อปานท่านมีบุญ พระของท่านทั้งหมดต่างคนต่างเอาใจดูหูใส่กิการงานภายในทุกอย่างโดยที่ท่านไม่ต้องไม่ต้องสั่งงานงานใดๆที่มีเกิดขึ้นก็ทํากันเองทุกอย่างเว้นไว้เว้นไว้แต่ว่าถ้าสิ่งใดมันจะเกินวิสัยถ้าเห็นว่าเป็นการควรหรือไม่ควรไม่แน่นอนนักก็เรียนถามท่าน จริยานั้นผมว่าเวลานี้พระของเราก็มีอยู่แล้วโดยพระหลายท่านแล้วก็ส่วนมากอาจจะเป็นทุกองค์ก็ได้พราะว่าเห็นว่ากิจกายงานหลายอย่างที่ผมไม่ได้สั่งแต่ว่าเป็นงานที่ควรทําท่านก็ทํากันด้วยความเต็มใจตามความสามารถตามหน้าที่ของตนที่จะพึงทําได้ ความดี น, นี้ผมข อ, อนมโมนาแล้วก็ขอบคุณท่าน a l l a ที่ช่วยทำให้ผมเบาแรงเบาใจที่พูดนี่ไม่เหยีบมันไม่ได้เฉพาะจอด จ, จงพิสูจน์และสมณใ น, นรูปใดรูปหนึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเห็นว่าทุกๆคนมีงานด้วยกันต่างคนต่างแบ่งแบ่งงานทำกันตามหน้าที่ แต่การอุปสมบทบรรยาิชาของท่านแบบนี้ผมถือว่าความดีของท่านถึงแน่ในกิจแห่งพระพุทธศาสนาดึงถึงแม้ว่าท่านบางท่านที่บวชเข้ามาชั่วคราวเมื่อรู้กิจแบบนี้ถึงแม้ว่าจะสึกไปเป็นคราวญาก็ยังจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง นี่จัดว่าเป็นความดีที่ผมดีใจอย่างยิ่งเห็นท่านทั้งหลายสนใจในการงานทุกท่านไม่มีการรังเกียจซึ่งกันและกันใครมีความสามารถแบบไหนทําแบบนั้นอันนี้ก็รู้สึกว่าผมก็มีความดีใจแต่ว่าผมมีบุญมากมันก็ไม่แน่จะ ต, ต้องถือว่าท่านเป็นผู้ดีกันเองเป็นคนดี รู้ภาระนาทีแล้วก็ทุกคนก็ระมัดระวังในด้านระเบียบวินัยในธรรมวินัยสนใจกันเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยบางทีคนที่เขามาอยู่ใหม่ถ้าเขาไม่รู้อะไรทำผิดไปพลาดไปก็ช่วยกันเตือนด้วยบอกให้ทราบว่าตำรับตำ ร, ราทิสลานวราชมีทุกอย่าง แล้วก็มีเสียงสําหรับฟังถ้าไม่เข้าใจอะไรจะฟังเสียงหรือว่าจะดูหนังสือก็ได้นี่เป็นความดีที่บรรดาที่ท่านรุย่ยหลายท่านอันหลายทํากันต่างคนต่างก็เน็ดเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อความดีในการบวชเพราะว่าการปฏิบัติงานจัดเป็นคันถาธุระมีประโยชน์ถึงขั้นการมาวาจรสวรรค์ นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปัสสนาธุระทั้งทุกท่านก็สนใจกันความดีอย่างนี้เราก็หาก็ได้ยากไม่ใช่ง่ายนักจัดว่าเป็นความดีที่ควรจะการสนเสริญคราวนี้ก็มาคุยกันต่อไปว่าการไปคราวนั้นตันลงทั้งสี่คน แกให้สัญญามาว่าทีหลังถ้าต้องการอยากจะรู้อะไรก้อยภาวนาว่าพุทโธเมื่อกำลังใจถึงจุดอาทิตสมานกายก็จะหลุดออกไปจากกายเนื้อจะไปพบกันได้ทันทีตอนเขาจะเผาหรือไม่เผานี่ผมจะไม่พูดขอพูดย้อนสันิดหนึ่ง ว่าตอนกลับมาคราวนั้นเมื่อดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายหายเป็นปกติโรคภัยทุกอย่างไม่มีอาการเจ็บปวดหมดไป <c oughs> นี่หลังจากนั้นผมก็ยังมีสภาพเป็นเด็กก็ยังไม่มีอะไรจะดีขึ้นคำว่าจะดีขึ้นคำว่าฌานสมาบัติผมไม่ได้รู้เรื่อง ใครจะมาพูดว่านันเป็นฌานนีเน่เป็นสมาเป็นสมาบัติผมไม่ได้เคยสนใจก็สนใจอย่างเดียวคือว่าคำภาวนาว่าพุทโธและก็บูชาพระคำภาวนาว่าพุทโธคราวนี้หลังที่จะฟื้นจากการตายมาแล้วเพราะว่ามีคำสัญญาจากท่านลวงผู้ใหญ่เมืาอว่าถ้ามีภารากิจใดๆที่ปรารถนาะให้ลงช่วย คำไม่ช่วยนี่ก็ช่วยเพื่อรู้ให้ใช้คำภาวนาว่าพุโทโธถ้าจิตถึงจุดอธทิตสมานกายกายภายในก็จะออกไปพบกันได้ทันทีและผมก็ทำกิจนี้อยู่เสมอเพราะอะไรเพื่ออยากดูนรกอยากจะเห็นนรกไปวันนั้นมันไม่ได้เห็นต่อมาคำว่าพุโทโธก็ขึ้นสมอง อันนี้ตอนนี้ท่านนังไหลเขาเดียวมาสักนิดหนึ่งว่าการเจริญกรรมาฐานเพื่อหวังผลตอนตนอันนี้ผมถือว่าเป็นผลตอนตนและในเวลานั้นเองผมก็ไม่เคยนั่งสมาธิแล้วก็ไม่เคยนอนสมาธิตามแบบฉบับที่เราปฏิบัติกัน ผมใช้อย่างเดียวคือนั่งอยู่ยืนอยู่ยืนเดินอยู่นอนอยู่ก็ตามถ้าว่างจากภาระอื่นผมเป็นคนชอบรู้จกักซุกซิกรู้เรื่องจุกจิกคงก็ภาวนาคงเล่นไว้เป็นการซ้อมกําลังใจอันนี้ถ้านเห็น ว, ว่าเรื่องจริตโก็ดีเรื่องนิวรณ์ห้าก็ดีเราไม่ได้โกรถึงกัน พูดถึงกันแต่คำภาวนาว่าพุโทโธเฉยๆนีกคําว่าพุโทโธเฉยๆเวลาตายตอนนั้นถ้าจะพูดกำอีกทีก็เรียกว่าตายด้วยกําลังของชานสี่ตอนนี้ผมมารู้ที่หลังรู้ตอนที่กําลังพูดนั่นกับคุณฟังเมื่อเรามาศึกษากันที่หลังว่าขณะที่จิตออกจากร่างเป็นกําลังของชานสี่ยิงมีสภาพเป็นลม มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษที่ไม่เคยปรากฏการมาก่อนต่อมาในภายหลังผมก็อยากจะรู้เรื่องของนรกผมก็นึกถึงตะลุงผู้ใหญ่และจริยาที่ผมใช้ผมทำแบบไหนผมไม่ได้วิ่งไปเข้าขัดสมาธิในห้อง ผขมอยากจะรู้เรื่องเรื่องราวอะไรขึ้นมาก็ก็นอนเฉยๆบางทีผู้ใหญ่ท่านคุยกันเรานั่งอยู่ใกล้ๆเราอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆก็นอนลงไปข้างๆนั้นใจก็จับคำว่าพุทธโธไม่สนใจกับคำพูดที่เขาคุยกันจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างจะเฮจะหายังไงก็ช่าง พอจับคำว่าพุโทโธนิดหน่อยอารมณ์จิต ก, ก็เข้าถึงจุดอทิสมานกายเดิมก็เคลื่อนไปโู่จุดยอดเขาตามที่นักกับคุณลงไว้พอไปถึงก็ปรากฏว่าคุณลงผู้ใหญ่ท่านมานั่งคอยอยู่ก่อนตอนนี้เราอยากจะดูนรกขุมไหนคุณลงก็ชี้ให้ดูมันอยู่ข้างๆ นั่นก็ดูในแบบตามสบายนระกขุมที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ที่แปดตลอดจึงกระทั่งนรกบริวารยมมโลกียานรกแดนเฟรตคุณลุงก็นั่งอธิบายให้ฟังว่าคุณทำบาปแบบนี้ตกนรกอย่างนี้มีทุกขเวทนาแบบแบบนี้แต่ว่านรกแต่ละขุมท่านทั้งหลาย อยาตั้งใจไปเลยควรจะทรงบารมีสิบไว้ให้ครบถ้วนแล้วก็มีเจรณะสิบห้าไว้ครบถ้วนมีอธิบาทสี่ให้ครบถ้ว น, ม, ววนมีพรหมีหารสี่ให้ครบถ้วนถ้ากายของท่านครบอย่างนี้การเจริญสมาธิจิตก็เป็นของง่าย และกำลังใจของท่านก็จะพ้นจากอำนาจของอบายภูมิเป็นอนว่าผมสุสานรกทุกขุมยยกท่านลงเสมอๆก็การทายด้วยอาการอย่างนี้ตายแล้วเราไปเที่ยวจุดนั้นได้สบายตัวอย่างที่อาชี้เห็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอีกท่านหนึ่งก็คือพลตรีสมานวีระไวยะ ท่านก็เคยตายในสมัยที่เป็นรอยโท่ไปตายที่เชียงตุงสมัยสงครามโรคครั้งที่สองไปถึงสำนักของพยาโยมเขาก็แนะนําบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมาอยู่แต่ให้มาดูก่อนว่าตายมีสภาพไม่สนแล้วต่อมาท่านก็ขอสัญญาติดต่อจนกระทั่งเวลานี้ท่านก็สามารถติดต่อกับพยาโยมได้แบบสบาย ไปศึกษาวิชาการต่างๆเช่วิชาต่อยคุคนท่านเราศึกษา ม, มาเวลานี้ก็สามารถจะถอดอทิษมานในกายที่เรียกกันว่ามโนโมยิธิท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้นี่ความจริงการตายด้วยกำลังาตายกับธรรมมีคุณมีประโยชน์อย่างนี้นี่เป็นวาระในการตายครั้งที่หนึ่ง ถ้าอารมณ์จิตของผมรักพุทโธเป็นกำลังขณะที่ภาวนาพุทโธผมก็นึกถึงองค์สมเด็จโตสมมาสัพพุทธเจ้าเวลาที่ผมนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปผมก็จับภาพพระพุทธรูปและก็ทําจิตให้สงบสงัดเมื่อจิตถึงระดับก็จะปรากฏว่ามีหลวงพ่อองค์ยิ้มมายืนยิ้มให้ชื่นใจอยู่เสมอ อย่างนี้เขาเรียกว่าจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานได้อารมณ์เป็นฌานท่านจะลืมนะว่าเวลานั้นผมไม่เคยรู้เรื่องจริญหกผมไม่รู้เคยรู้เรื่องนิวรณ์ห้าผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรทั้งหมดผมมีอารมณ์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติเพียงเท่านี้ก็มีผลขนาดนี้ ท่านี้เวลาที่ภาวนาว่าพุทโธเวลาไหนบ้างก็ผมบอกแล้ว่ะผมไม่มีเวลานั่งจะนั่งตั้งท่าอย่างที่ทํากันในปัจจุบันนี่ไม่มีเวลาเดินไปเดินมาผมว่างจิตผมว่างขึ้นมาผมก็ภาวนาว่าพุทโธเวลาชาว บ, บ้านเขาคุยกันบางทีผมไม่ชอบใจคุยผมก็ก็ภาวนาว่าพุทโธ จะมีอะไรก็าตามวาดระแวงอะไรนิดหน่อยก็ใช้คำว่าพุทโธเป็นปกติก็ชื่อกันว่าจิตเป็นเอกคตารมนี่ถ้าจะมาว่าเกินทางด้านความดีวิเศษผมไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาเลยผมก็ยังเป็นเด็กจอมซนที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแกนซนตามปกติเล่นตามปกติ ยังกระทั่งโตขึ้นมาแล้วกรรมบางอย่างบังคับผมต้องทำกิจบางอย่างที่ไม่สมควรไม่เนื่องกับบุญกุศลแต่นั่นเห็นว่าจะเป็นเคยเป็นกรรมหักล้างกันมาก่อนตอนนี้เองเมื่อทำมาแล้วหลังจากนั่นมาพอมาโบสถเป็นพระก็คิดว่าความดีเดิมของเราอาจจะหมดไป เพราะว่าสร้างความเลวไว้มากได้แก่สังหารคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโจรแต่ที่ทําไปก็มีเจตนาไว้อย่างหนึ่งว่าอยากจะต้องให้ต้องการให้ชาวบ้านมีความสุขแต่ถึงกระไรก็ดีการทําแบบนี้จะชื่อว่าไม่บาปไม่ได้คําว่าบาปมันก็ต้องบาปเพราะทําลายชีวิตเขา นี่พอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเมื่อเจอหลวงพ่อปานท่านมีความไม่ตาปราณีพยายามสั่งสอนเล็กสั่งสอนน้อยสั่งสอนใหญ่ถ้ามาเล็กก็หมายถึงว่าพูดเรื่องกระจุมกระจิ๋มในเรื่องของนรกบ้างในเรื่องเขาสวรรค์บ้างเรื่องเขาพรมโลกบ้าง เล่าความเป็นมาของคนในสวรรค์ในนรกในพมันโลกบางทีเราไปเปิดพระสูตรดูก็ไม่มีถามท่านว่าท่านทราบได้อย่างไงท่านก็บอกว่าฉันก็รู้จากกำลังใจของฉันไม่มีความจำเป็นต้องไปเปิดทังสีในเมื่อท่านพูดขึ้นมาแบบนั้นก็รีกราบเรียนถามท่านว่าจะรู้ได้โดยวิธีใด แต่ก็บอกว่าการที่จะรู้นี่มันไม่ยากถ้าเราทรงอารมณ์สมาธิให้เป็นเอกขตารม์ทรงกำลังเป็นฌานแล้วเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างสามารถรู้ได้สมวยานั้นผมบวชเข้าไปก็ตั้งใจจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาความดีให้ได้เพราะว่าเจ็บใจท่านลวง ไปคราวไรจะลงไปดูในนรกท่านไม่ยอมให้ไปให้นั่งอยู่แค่ภูเขาลูกนั้นแล้วท่านก็เรียกนรกเขามาหาคำว่าเรียกไม่ได้ใช้วาจาเรียกถ้าเราสงสัยนรกคุมไหนท่านบอกว่านี่ยังไงล่ะชี้ลงไปเหมือนกับเรานั่งอยู่ปากขุมนรกแต่อำนาจที่จะไปเองไม่ได้ที่อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือสวรรค์แลรลม ผมก็ไม่มีกําลังใจที่จะไปสวรรค์นเนื่อผมได้มันก็น่าคิดเพราะว่ากําลังจิตยังอ่อนไม่ว่าความฉลาดไม่พอนั่นเองมาสมัยที่มาอยู่กับหลวงพ่อปานก็ทำงานทุกอย่างอย่างที่พวกท่านทำกันสมถาวิปัสนาก็จเจริญศึกษาพระธรรมวินัยจากโรงเรียนก็เรียน แล้วการปฏิบัติในการงานงานก่อสร้างมีมากสําหรับท่านพปานก็ทําบางวันเคยทํางานพนไปจนท่านลืมฉันอาหารทั้งเชา้าทั้งเพลงก็มีแต่วจริยาอย่างนี้ขอท่านอนหลายยาวไปไประพฤติปฏิบัติเพราะผมเป็นโรคกระเพาะอยู่เวลานี้จะแย่อยู่แล้วพรา็เพราะว่าฉันข้าวบ้างไม่ได้ฉันข้าวบ้าง ต่อมาก็ฝึกผลกับหลวงพ่อปานดีบ้างชั่วบ้างก็รู้สึกตัวว่าไม่เห็นมันดีตรงไหนความรู้สึกในตัวเองเนี่ยว่าไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนไม่เห็นว่ามีอะไรมันดีขึ้นใจมันก็เป็นใจธรรมดาธรรมดาแต่ขณะที่ผมปฏิบัติอยู่นั่นเขาก็หาว่าผมเป็นคนบ้า คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้ทำเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคุณบ้ามีอารมณ์บ้าๆบ่ๆนี่ความจริงผมก็อยากจะรับคำนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมสนใจอย่างเดียวคือธรรมปฏิบัติผมไม่สนใจกับการคบหาสมาคมกับใครไม่สนใจกับการพูดคุยคุยทุไรนอกเรื่องนอกราว ที่เรื่องที่ประกอบวธิราคะความรักโทสะความกโกรธโมหะความหลงหรืว่าโลภะความโลภผมไม่ได้เอาด้วยนับตั้งแต่วันบวชคือวันบวชไปจนมาหลังจากการบวชแล้วออกรึกษาผมมีของเท่าไหร่ผมทอดกอระถิ่นทอดผ้าป่าหมด <c oughs> เดือนแปดเป็นเดือนเกิดผมมีอะไรบ้างผมถวายพระหมด นี่ก็ทำอย่างนี้ตลอดมาธรามาว่ากันถึงอารมณ์ใจก็ไม่รู้สึกว่ามันดีตรงไหนหากว่าท่านจะาถามว่าการปฏิบัติในคราวนั้นนะ่ะเคร่งคัดมากไหมในฐานะที่เป็นพระผมก็จะบอกท่านว่าผมก็เหมือนเหมือนกับท่านธรรมดาผมไม่มีคำว่าเคร่งหรือว่าก็ไม่มีคำว่าย่อน สิ่งที่ผมรักมากก็คือเจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้าที่แนะนําให้บรรดาท่านหลายปฏิบัติเนี่ผมรักมากจริงๆแล้วผมก็เกาะติดตลอดมาอีกอันหนึ่งนั่นก็คือบารมีสิบหลวงพ่อปานเคยแนะนําว่าเจรณะสิบห้าถ้าครบทนคุณก็ไม่ต้องกลัวสิ้นขาด คุณก็ไม่ต้องเกรงว่าคุณจะทาใดๆที่คุณจะได้มาไวแล้วจะเสื่อมคลายผมรับคำท่านผมก็มาซักมาซ้อนกํากลังใจอยู่เป็นปกติถ้าต้ตก็เตียนไหว อ, อันหนึ่งคือบรารมีสิต้องทำกําลังใจของเราให้เต็มเป็นปกติอย่าให้มีอารมณ์บกพร่องมันไม่ได้มากเราได้น้อยก็ยังดีกันนรกได้ ด้านนั้นเรื่องบา ร, รมีสิบจึงเป็นของไม่หนักใจสําหรับผมตั้งแต่วันบวชท่านก็นแนะนาต่อไปว่าพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องเลี้ยงทั้งศีลทัสมาธิทั้งปัญญาต้องทรงให้ได้สําหรับพรหมวิหารสี่นี่ก็ทรงได้บ้างส่งไม่ได้บ้างเพราะมันยังมีโมโหโทโสอยู่ แต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เรายังมีกิเลสแต่รมใจที่มันสบายมีความมากกว่าโดยเฉพอ่ออย่างยิ่งหลวงพอ่อปานแนะนำว่าถ้าทุกคนมีอิทธิบาทสี่ก็โทนในกำลังใจกิจการงานทุกอย่างที่มีความประสงค์จะเป็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีสำเร็จหมดตอนนี้เองธรรมดาเท่ยนท่านเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลาย อีที่บาดสี่ข้อคือฉันทะวิทยะจิตตวิมังสาผมว่าเรียบวันทั้งวันคืนทั้งคืนเวลาตื่นลืมตาขึ้นมาก็มองดูจารณะสิบห้าในใจว่ามันครบไหมสำหรับชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่ต้องเป็นคำหนึ่งคำหนึ่งจะถึงว่าจิตของเราว่างจากอารมณ์ที่เป็นนิวรณ์หรือเปล่า แล้วก็มาไข้ควรบารมีสิบทุกวันตื่นก็ไข้ควรก่อนจะหลับก็พิจรารณาว่าบกคล้องอะไรบ้างในบารมีสิบในชั้นในจารณะสิบห้าอิทธิบาทสี่พมิหันสี่ทั้งหมดนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเด็กเล่นสำหรับผมในเวลานั้นและกระทั่งเวลานี้และเวลานี้นี่เราจะพูดอะไรกันต่อไป จะพูดไม่ได้แล้วเวลามันหมดคัดเศษสําหรับบันทึกเสียงมันหมดแล้วฉะนั้นเรื่องราวเหตุการตายของกระผมผ ม, มันกว่าจะเข้าถึงวาระที่สองแต่ก็ต้องหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้อันนี้ก็ขอบรรดาท่านหนึงหลายผู้รับฟังเป็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เอานําไปประพฤติปฏิบัติได้ นี่มันเป็นสายเดียวสายหนึ่งเท่านั้นในจำนวนสี่สิบสายอาณาสำหรับเรื่องการเรื่องที่นำก่อนการจรเิญพิะกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้